บางคนมาทุว่วนเอาเวลาไว้ภาวนาบางภาวนาต้องใช้เวลาเราฟังธรรมะให้ได้แน ว, แวรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ไปทำออกถ้าไม่ทาไม่ได้มีเหมือนกันนะคนรู้ธรรมะในขณะฟังธรรมก็มีแต่ว่ามีไม่มากน้อย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 เห็นว่ามีตัวมีตนจริงจริงเราคิดไปถึงวันทั้งหน้าเราคิดว่าตายไปเราไปเกิดอีกอันนี้ก็มีชาทิติเราคิดว่าถ้าเราตายไปแล้วเราสูญไปเลยไม่เกิดอีกอันนี้ก็มีฉาทิติมันมิชาทิติที่ไหนมิชาติติที่มันมีเรามีเราเดี๋ยวนี้แหละเรามีจริงๆคิดว่าเรามีจริงๆริงเรามีจริงๆแล้ว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 เวลากายกระใจมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเราเข้าไปหมายรู้เรียกว่าสัญญาสัญญาของเรานี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะใช่ไหมมีเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเป็นสัญญาวิปลาสเนี่ยคนไทยมายืมศัพท์สัญญาวิปลาสไปใช้ว่าบ้าเป็นการหมายรู้ผิดๆเน่ยไปหมายรู้ของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะเรียกว่านิจจสัญญาไปหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนัเป็นสุขสัญญา ไปหมายรู้ว่าของที่เป็นอนัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนเรียกอัตตสัญญานี่เป็นมิจฉาทิฏฐนะิหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามเรียกว่าสุภาสัญญานะนี่สัญญาวิปลาสมีใครไม่สัญญาวิปลาสไม่ไม่มีหรอกนะยังวิปลาสอยู่ถ้าไม่ใช่พระอธิยะนั้นก็ยังวิปลาสอยู่เราฝึกจนเห็นความจริงวันหนึ่งหายวิปลาส ไม่ต้องกินยายาอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นะอาศัยสตยิอาศัยปัญญานี่แหละดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูเรื่อยๆไปวันหนึ่งเห็นความจริงร่างกายเนี่ยมันมีชีวิตยอยู่เป็นขณะขณาเหมือนกันแต่ดูยากนิดหนึ่งเพราะรูปมันายุยืนแต่ทางจิตใจเนี่ยดูง่ายเพราะจิตใจนะเกิดดับรวดเร็วมากเลย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 ไปเรียนรู้ขันห้างของเรานี้แหละเรียนรู้ย่อๆขันห้ามากไปก็เรียนเป็นรูปประธรรมกับนามธรรมพรอขันห้าเนี่ยย่อลงมาแล้วก็เหลือรูปประธรรมกับนามธรรมตัวรูปก็เป็นรูปประธรรมตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวนามธรรมถ้าเราเห็นรูปประธรรมนามธรรมในกายในใจนี้ดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นรูปประธรรมนามธรรมทั้งหลายในกายในใจนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยมีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา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 ไม่เคยได้ยินค่ว่ารูปนามในอนนานท่าบินพิกะานจนมันสุดท้ายจะตายแล้วถึงได้ยินแค่ว่ารูปนามท่านไม่รู้ท่านไม่ไม่รู้ชื่อมันแต่ท่านรู้สภาวะมันได้คนทึ่งบรรลุทําได้สะสมบารมีมานานไม่ใช่ทํากันปุ๊บปปั๊บ ป, บปบหรอกสะสมกันข้ามภพข้ามชาติเลยพวกเรากว่าจะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องสะสมบารมีมาแล้วนะ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 เราทุ่ำบุญมาดีแล้วนะเราถึงจะได้มาเจอผู้แสดงธรรมะถึงจะได้ฟังธรรมะหรืออันสุดท้ายท่านั้นเองนะจะได้บุญเต็มที่หรือไม่เราปฏิบัติทมสมควรแก่ทมหรือเปล่าท่านันงั้นถ้าเราเคยศึกษาธรรมะมานะสงสมมาในใจอย่างพวกเรานี่พอเราฟังธรรมะเราเข้าใจง่ายถ้าคนไม่เคยสะสมมาเลยนะจะเข้าใจยากอะไรเขาไม่รู้รูปนามฟังแล้วไม่เอาดีกว่า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 น, นิพพานเป็นธรรมารมรู้ได้ด้วยใจนี่ไม่ใช่รู้ด้วยตามีบางคนภาวนาแล้วบอกว่าเห็นนิพพานเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นนะ้รู้ด้วยตาเนี่ยมองได้เห็นเลยนะพุทเจ้ามาแล้วพุทเจ้ายิ้มแล้วพระเจ้าเนี่ยหน้าตาท่านเป็นรูปไข่นี่รู้รู้เยอะนะอีกคนนึงนั่งอือพระพุทธเจ้าหน้าตาท่านเป็นสี่เหลี่ยมนีต่อไปคงมีสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีอะไรไปได้อะนะ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 มันไปสร้างความชั่วขึ้นมาก็รู้ทันมันไปสร้างความดีขึ้นมาก็รู้ทันมันไปสร้างความเฉยๆขึ้นมาก็รู้ทันรู้ไปด้วยเห็นสร้างอะไรขึ้นมารู้ไปด้วยวันหนึ่งน้ําสร้างอะไรก็หลอกเราไม่ได้นะงั้นก็โดนมันหลอกไปถูกหลอกเรื่อยๆไปเภาะน้ามีแต่สู้กับความไม่รู้นี่แหละเพราะใจเราไม่ฉลาดใจเราถูกกิเลสหลอกลวงเอาตลอดเวลาดังนั้นเรค่อยๆฝึกสตินะรู้ทันใจของเราไปได้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 ตัวจิตเขจะเด่นดวงขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้จิตต่ออย่างนี้ก็ได้บางท่านท่านก็ดูจิตรวดเข้าไปเลยอย่างตัวหลวงปูดูนเองหลวงปูดูเองไปเรียนอย่างหลวงปู่มั่นนะสมัยนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ยังไม่ถึงขั้นสุดขีดอะไรนะท่านภาวนาได้ถ้าเทียบกับมหาวิไลนะคือจบปีสามแล้วกำลังเรียนปีสี่ยังไม่จบนี่หลวงปูดูไปเรียนด้วย หลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ดูลนทำความสงบแล้วก็พิจารณาไก่นี่แหละเบื้องต้นนะพอท่านทำสอบปีหนึ่งผ่านเนี่ยนะไปเรียนต่อหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตล ะ, ะสอนเลยสัเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสอนอย่างนี้นหลวงปู่ดูลนท่านก็มาดูดูนะดูอยู่ไม่กี่เดืนอนหรอกท่านก็แจ้งอริยสัจขึ้นมา รู้เลยว่าถ้าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนนะถ้าไม่มีความปรุงแต่งความเป็นตัวตนก็ไม่มีถ้าไม่มีความเป็นตัวตนนะความทุกข์ก็มันก็มไม่มีที่อยู่ที่ตั้งก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ท่านเลยรู้แจ้งอริยศาสตร์แหง่งจิตขึ้นมาลีลาแห่งการรู้แจ้งท่านก็ประหลาดนะท่านก็คงจเจริญสติธรรมดานี่แหละถึงเวลาก็ทําความสงบมั่งเดินจงกรมอะไรท่านก็ทําอย่างนี้นแหละ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 แมวเนี่ยนะพอ เ, เห็นหมาอยู่ข้างล่างนะแมวก็หัวเราะเยาะหัวเราะเยาะหมาด้วยใจะ แ, แมวคงไม่ร้องเฮ่เฮออกมานะถ้าอย่างนั้นหลวงปู่คงไม่ได้อะไรคงตกใจเพรแมวมันหัวเราะเยาะหมานะว่าเอ็งทําอะไรข้าไม่ได้แนละ้วท่านบอกตอนนั้นท่านปิงเลยท่านเข้าใจเลยว่าถ้าจิตพ้นจากความปรุงแต่งแล้ความทุกข์ก็มีไม่ได้ทําไมต้องไปเกิดตอนนั้นคล้ายๆเรื่องพระเซนเลยเนาะ เสร็จอีกคิวสังนะซาตโตริตอนได้ยินอีการ้องพวกเราไปหาเทพอีการมาฟังนะงมันก็ไม่ซาตโตริหรอกนนหน้าที่ของเรามีอันเดียวแลวหละภาวนาไปะจะเจริญสติไปเหมือนเรามีหน้าที่กินข้าวก็กินไปนะหน้าที่อิ่มมันเป็นหน้าที่ของท้องไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกหน้าที่กินยือเยืยวไปกินไปถึงเวลาวันใจมันพอแล้วมันก็พอของมันเองน ะ, นะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะพอตอนไหน